ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุกชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสง์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้วสง์เห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้